ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปับพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนาพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวารรชนาต่อไปจะเป็นวินยักกถาอิโตปรังดุติยาดิตับบานังวันนาคตา วินโยยักะนานโยสิกิตบังวสาธุกังลำดับนี้ความพันานาประพระที่สองเป็นต้นมาถึงเข้าในวันนาฬิเ า, า่าเป็นแต่วินัยอย่างเดียวใช่ทําอื่นกุลบุตรผู้หวังความศึกษาพึงศึกษาให้ดีเถิดต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของพระวินัยล้วนๆจะกล่าวในอาปตินามาดิปพร ะ, พะ ข้อว่าด้วยชื่อแห่งอาบัตเป็นต้นอาบัตทั้งปวงที่พิกูุต้องแล้วจะยกขึ้นซึ่งชื่อปฏิญญาว่าโดยหมวดมีอยู่เจ็ดคือปาราชิพหนึ่งสังคารพิเศษหนึ่งถุลใจหนึ่งปาจิต 1, ตีหนึ่งปาติเดสนิยะหนึ่งทุกกฎหนึ่งทุกภาสิทธหนึ่งโดยลำดับแห่งโทษหนักเบาดังนี้อาบัตอาบัตนั้นแปลว่าความต้อง ได้แก่ความถึงซึ่งวีติกรมโทษคือการก้าวล่วงศิขาบทอนหนึ่งอาบัตแปลว่าธรรมชาติอันทิสุพึงต้องพึงถึงด้วยประพฤติอนาจารเป็นการนอบัญญัติตาราชิษศนี้ถ้าเล็งตัวบุคคลเป็นประธานบทแปลว่าผู้ถึงซึ่งความแพ้ถ้าเล็งอาบัตเป็นประธานบทแปลว่าอาบัตยังบุคคลให้แพ้ ด้วยว่าอาบัตินี้อันทีกตุใดต้องแล้วเพียกตุนั้นชื่อว่าเป็นคนแพ้เป็นคนจุติเคลื่อนพลาดพลาดจากพระสัตยธรรมเพราะฉะนั้นปราชิชินี้หมายถึงบุคคลก็ได้นะบุคคลที่ต้องอาบัตสี่ข้อเป็นปราชิกหรือว่าหมายถึงกองอาบัตก็ได้กองอาบัตที่เข้าไปต้องแล้วก็ทําให้เป็นผู้พ่ายแพ้หมายถึงการต้องอาบัตก็ได้ต้องปราชิกหมายถึงตัวอาบัตหมายถึงบุคคล สังขาธิเศธแปลว่ากองอาบัตมีสงอันพิกตุพึงปรารถนาในการเป็นเบื้องต้นและการอันเศษว่าด้วยอาบัตกองนี้อันพิกตุใดต้องเขาแล้วพิจตุนั้นต้องอาศัยสงในการเบื้องต้นคือให้ปริวาสและการอันเศษคือมูลายะปฏิกัสนะและให้มานัตเป็นท่ามกลางและอภานกรรมเป็นการเศษสุดจึงออกจากอาบัตนั้นได้ สำหรับปริวาสก็คือเมื่อพิสูจ์ต้องบัติสังกัดพิเศษนี้แล้วก็ปกปิดเอาไ ว, เาว้เป็นการอยู่ประพฤติวัดเป็นการอยู่ประพฤติวัดซึ่งจะต้องมีข้อวัดปฏิบัติต่างหากจากเทววินัยอีกตั้งหลายข้อสำหรับพิสูุที่ต้องอาบัติสังกัดพิเศษแล้วก็ปกปิดไว้ต้องอยู่ปริวาสชดใช้ตามจํานวนวันที่ปิดเอาไว้ส่วนมูลายะปฏิกสนาหมายถึงการชักเข้าหาอาบัติเดิมคือเมื่อ ต้องอบัตแล้วอยู่ปริวาสมานัทอะไรก็ตามแต่ว่าไปต้องอบัตสังการที่เศษใหม่เมื่อต้องอบัดสังการที่เศษใหม่ก็จะต้องรือ้อก็คือที่อยู่ปริวาสไปแล้วก็ต้องล้มอยู่มานัทไปแล้วก็ต้องล้มชักก็หาอบัตเดิมแล้วก็อยู่ปริวาสใหม่หรือว่าอยู่มานัทใหม่อันนี้ก็เรียกว่ามูรายะปฏิกสนาตอนการให้มานัทหมายถึงว่าเมื่อต้องอบัตสังไรเศษแล้วไม่ได้ปกปิดไว้หรือว่าปกปิดไว้แล้วอยู่ปริวาสเรียบร้อยแล้ว ก็มาอยู่มานัทอีกหกราตรีเป็นการประพฤติวัดให้เคร่งครัดมากขึ้นต้องอยู่กับพระรู4ี่รูปขึ้นไปถ้าปริวาสอยู่กับังสูะรูปเดียวก็ได้ในาวาดนั้นแต่ถ้ามานัทต้องเคร่งครัดปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกวัดทุกวันเลยส่วนอับพาลก็หมายถึงเมื่ออยู่มานัทเรียกก้อยแล้วก็เรียกข้ามืออับพาลก็คือเรียกข้ามือใส่พระรูปยี่สิบรูปขึ้นไปมาทําสังฆกรรมให้จะกลายเป็นพระรูป บ, บริสุทธิ์ในที่สุด ในก็ประเด็นของสังกาธิเศษต้องอาศัยสง์ทั้งนั้นเลยก็เได้เรียกว่าสังกาธิเศษกรรมในเบื้องต้นและกรรมอันเศษก็ต้องอาศัยสง์ทั้งหมดเป็นอบัติหนักรองจากราชิตแต่ละเดียวยากแก้ไขได้ทุนลจใจแปลว่าโทษอ้วนโทษหยาบด้วยว่าปรรญาอาบัตที่พิสูจต้องแล้วและแสดงในสำนักแห่งพิสูจอื่นแม้องค์เดียวก็หลุดพ้นได้ อาบัต์นี้แหละอ้วนหยาบ ก, กว่าอาบัต์ที่เป็นเทสนาคามิหนีนอกนั้นอาบัต์ที่แสดงคืนได้คือเป็นอาบัต์เบาเนี่ยนะก็ทุลใจนี่แหละมีโทษมากที่สุดก็เลยเรียกว่าทุลใจแปลว่าโทษอ้วนตาจิตตีแปลว่าอาบัต์ที่ยังกูสลธรรมให้ตกไปด้วยว่าพิษสุใดแกล้งต้องอาบัต์กองนี้แล้วพิษสุนันชื่อว่าตกจากกูสลธรรมผิดต่ออริยมรรคถึงซึ่งโมหฐานที่เคลื่อนเคลิ้มหลงแห่งจิต มันก็ทําให้คุูนตกไปชื่อว่าปจิตตีมีทั้งหมดเป็นนิสกิยาปาจิตตีสามสิบสุติกปาจิตีเก้าสิบสองก็แบ่งเป็นสองอย่าง mm. ปาติเดศนิยะแปลว่าอาบัติอันพิสุพึงกลับแสดงอย่างอื่นด้วยว่าอาบัตินี้พิสุต้องแล้วไม่แสดงอย่างอาบัติอื่นต้องกลับใช้บาลีแสดงดังนี้ว่าคาริฮั่งอาวุตโตทำมังอาปาชิงอสัพ ป, ปยังปาติเดสนิยัง ทางปฏิเดเสมีติดังนี้ก็คือแสดงคืนต่างหากไม่เหมือนกับอบัติอื่นต้องแสดงคืนว่าข้าพเจ้าต้องทําที่หน้าเกลียดหน้าระอายไม่เป็นที่สบายข้าเจ้าขอแสดงคืนทํานั้นมีการแสดงต่างหากทุกกดก็แปลว่าทําชั่วด้วยว่าพิกตุใดต้องอบัตินี้พิคตูนั้นชื่อว่าทําชั่วทําไม่ดีทําผิดต่ออริยมร ด, ดังบุคคลทําบาปในที่แจ้งหรือที่รับ โลกย่อมติเตียนว่าเป็นคนทําชั่วทําไม่ดี ท, ทําผิดทุพภสิทธ์แปลว่ากล่าวชั่วด้วยว่าคําอันใดเป็นคําชั่วคำพลาดคําม่นหมองคําอันนักปราติเตียนพิจุกล่าวคํานั้นจึงต้องอาบัตินี้ทุพภสิทธ์นี้มีแค่ข้อเดียวนะเป็นส่วนที่อยู่ในโอมัสวาต์ดาพิกจุแต่ว่าด่าด้วยจะเล่นนะนอเรียนเนะี่ยต้องบัตุทุพภสิทธ์มีข้อเดียวเท่านั้น อันหนึ่งปาราชิกาบัตเป็นอะเตกิจฉาเยียวยาไม่ได้ด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งแม้จะถือเพศคารวาสแล้วกลับมาขออุปสมบทอีกก็ไม่ได้อับัตนอกนั้นหกกองเป็นสเตกิจฉาพอเยียวยาได้คือว่าต้องแล้วทําตนให้บริสุทธิ์ด้วยวุฒานวิธีและเทศนาวิธีได้อันหนึ่งปาราชิกสังคานิเสสองนี้ชื่อว่าคาุกาบัตเป็นอับัตหนัก าราชาชิพเป็นอาบัตหนักโดยโทษเป็นมูลลเชเฉรหมายถึงว่าตัดมูลรากเลยแก้ไขเ ย, ยียวยาอะไรไม่ได้สังขารทิเศษเป็นอาบัตหนักโดยโทษด้วยโดยวิธีที่จะออกจากอาบัตนั้นด้วยอาบัตนอกนั้นห้ากองชื่อว่าลหูกาบัตเป็นอาบัตเบาโดยวิธีที่จะออกอันหนึ่งสังขารทิเศษาบัตชื่อว่าเป็นวุฒานขามินีถึงวุฒานวิธีคือ อาศัยสงรับปริวาทและมานัตประพฤติกิจจึงออกพ้นเป็นคนบริสุทธิ์ได้สังคานิเศษสาบัตนินีนะเป็นวุฒานาคามินีต้องอาศัยการออกโดยอาศัยสงอยู่ปริวาทอยูมานัตอาบัตนอกนั้นห้ากองชื่อว่าเทศนาคามินีถึงเทศนาวิธีคือแสดงเสียในสำนักแห่งทิสุแม้องค์เดียวก็บริสุทธิ์ได้อันหนึ่งแม้ปาราชิกาบัตก็ชื่อว่าเทศนาคามินีด้วยสงเคราะห์ ด้วยว่าผู้ใดต้องแล้วผู้นั้นปฏิญญาตนตามจริงต่อหน้าแห่งทิฏฐุอื่นแล้วมาละเพศแห่งทิฏฐิเสียถึงเพศฆราวาสก็พ้นโทษ น, นั้นได้อบัตนั้นไม่เป็นสักขาวรห้ามสวรรค์แล้วก็ไม่เป็นมัคขาวรด้วยไม่ห้ามมัดด้วยถ้าถึกไปเป็นค้อหัตแนะนำปฏิบัติธรรมะล้วก็สามารถที่จะบรรลุมรดได้เหมือนกันในอัตถกถาในอคิขันฑูปมัสสูตรแสดงไว้ใน อีกที่หนึ่งก็คือในอังคุตระนิกายึจะเป็นเอกานิบาต ท, ทุกการนิบาตเนี่ยนะอัชาราสังฆาตะวะัตรอธิปา ต, ตรงนั้นก็แสดงว่าพระวิสุทที่เป็นประรชิกเนี่ยเมื่อศึกไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมะก็ได้บรรลุเป็นมุสวดะบาลพัสกาธาคามีได้เมื่อศึกไปแล้วก็จะไม่เป็นเครื่องกั้นสวรรค์มรรคผลแก่ผู้นั้นอันหนึ่งประราชิกสังฆาทิเศษสองนี้ชื่อทุตถุลลาบัตเป็นอาบัตชั่วยาไปโทษ อับัตห้ากองนอกนั้นชื่อว่าอัฐุทุลลาบัตไม่ชั่วยาบนักโดยโทษอันหนึ่งประชิกชื่อว่าอานวเสสาบัติเป็นอับัตไม่มีเศษพิสูต้องแล้วก็เคลื่อนจากโรมจรรันไปฝ่ายเดียวอับัตหกองนอกนั้นชื่อว่าสาวเสสาบัติเป็นอับัต ย, ยังมีเศษอยู่คือวุฒานวิธีและเทศนาวิธีเป็นส่วนเศษซึ่งจะให้บริตุดยังมีอยู่ อันหนึ่งอาบัตาราชิกสังคาทิเศษสองนี้เป็นศีลวิบัติเป็นโทษใหญ่พิสูุนต้องแล้วชื่อว่าถึงความวิบัติแห่งศีลในอาบัติห้ากองนั้นอาบัตใดที่พิสูต้องเขาแล้วทั้งเป็นโทษ ด, ด้วยทั้งอาจาระมรยาตสมณะเสียไปด้วยดังนี้ชื่อว่าอาจาระวิบัตในอาบัตห้ากองนั้นแหละอาบัตใดที่พิจน์ต้องด้วยทิฏฐิความเห็นวิปริตเป็นอันตคาหิกทิฏฐิ คือทิฏฐิความเห็นเป็นที่สุดส่วนสุดโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดโลกมีที่สุดบางส่วนมีที่สุดบางส่วนเหล่านี้เรียกว่าอันตะไครกทิฏฐิดังนี้ชื่อว่าทิฏฐิวิบัติดังปาจิตติยาบัตแห่งพิสุผู้กล่าวตูพระผู้มีพระภาเจ้าในอริฏฐสิขาบทเป็นตัวอย่างก็คือเข้าใจว่าท้าราชิฏฐานี้เข้าใจว่าการมคุณเนี่ยมีมิโทษสตรีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไปจับต้องได้ การเสพการเนี่ยไม่มีโทษอะไรเพราะว่าพวกก็หัดก็อนอนกับบุตรภรรยากันเขาก็เป็นระโสนดาบันพระส ก, กทาคารีได้เพราะฉะนั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงมาบัญญัติข้อห้ามไม่ให้เสพเมถุนเพราะอะไรห้ามจับต้องกายหญิงเพราะอะไรก็เข้าใจว่าไม่มีโทษเก่งในพิธามแต่ว่าไม่เกฑ่งเทวินยัยก็เลยทำให้เป็นทิฏฐิวิบัติไปก็เป็นเครื่องกั้นมรรคผลของตัวเองไปเลยทำลายกิจจักรในด้วย ในอบัตห้ากองนั้นแหละอบัตกองใดพิสูจต้องเข้าแล้วอาชีวะความเลี้ยงชีพเสียไปดังอาบัตเพราะกูรดูสกัดดำอาบัตนั้นชื่อว่าอาชีวะวิบัติอันหนึ่งอบัตประราชิกสังฆนริเศษที่พิสูจต้องเพราะอาศัยอาชีวะก็ชื่อว่าอาชีวะวิบัติด้วยเพราะเหตุนั้นในคมภีปริวาระท่านยกสิกขาบทหกขึ้นตั้งไว้เพื่อจะให้เห็นอาชีวะวิบัติดังนี้ว่า เพกตุอวดอุตตริมนุสธรรมซึ่งไม่มีในตนพระเหตุแห่งอาชีวะต้องปาราชิกเิีกตุถึงสันเจริญตะชักสื่อให้เป็นผัวเมียาการพระเหตุแห่งอาชีวะต้องสังขาธิเศษเพีกตุอวดอุตตริมนุสธรรมโดยปริยายเป็นต้นว่าใครอยู่ในวิหารท่านผู้นั้นเป็นพระอรหันต์ดังนี้พระเหตุแห่งอาชีวะผู้ฟังรู้ความในขณะนั้นเพี้ยกนั้นต้องถุละใจ พิกตูไม่เป็นใข้ขอปณีตัโพชนะคือโภชนะอันประนีตกะคนใช่ญาติฉันก็คือคนที่ไม่ใช่ญาติเพราะเหตุแห่งอาชีวะต้องปาจิตตีนางภิกษุณีไม่เป็นใข้ขอของแปดอย่างก็คือโภชนาประนีตนั่นแหละเป็นต้นว่าเนยใสยกะคนใช่ญาติฉันเพราะเหตุแห่งอาชีวะต้องปาจิเดสัญญา พิตุไม่เป็นไข้ขอแกงและข้าวตุกกับคนใช่าญาติฉันก็คือคนที่ไม่ใช่ญาติเพราะเหตุแห่งอาชีวะต้องทุกกดดังนี้ด้วยท่านยกสิกขาบทหกขึ้นกล่าวไว้นี้แลพึงรู้เถิดว่าในสิกขาบทซึ่งเป็นศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัตินั้นข้อใดที่พิสูต้องด้วยอาศัยอาชีวะคือการเลี้ยงชีพเป็นเหตุข้อนั้นก็เป็นอาชีววิบัติด้วย อันหนึ่งตาจิตตินั้นมีสองก็คือนิสักยปาตจิตติกับสุดที่กะตาจิตตินิสักิยปาตจิตตินั้นมีสาสิสิกขาบทแปลว่าปาจิตติมีการสละเป็นวิไนกรรมได้แก่ปาจิติยาบาดในนิสักขียุดเทศแห่งทิฏฐุปาติโมกษ์สาสแห่งทิฏฐุนีปาติโมกษ์ที่เป็นอสสาธรณะสิบสองสิกขาบทแต่ว่าของทิฏฐุีก็มี30 ส, สเหมือนกันนะเพราว่าที่เป็นสาธารณะนั้นมีร่วมกันถึงสิข้อ ก็เลยเป็นสาสิบเท่ากันแต่ว่าไม่เหมือนกันทุกข้อด้วยว่าปาจิติยาบัตเหล่านี้เพียกตุต้องเพราะอาศัยพันดะข้าวของที่เสียไปโดยพุทธบัญญัติเพี้กตุนั้นต้องเอาพันดะนั้นมาเสียสละในท่ามกลางสงหรือคณะหรือในสำนักแห่งเพี้กตุรูปเดียวเป็นวินัยกรรมเสียก่อนจึงแสดงอาบัตนั้นตกเพราะเหตุนั้นปาจิติยาบัตเหลา่านี้จึงชื่อว่านิสักยปาจิตีเช่นเงินทองนะ ถ้าไปรับเงินทองมาแล้วเงินทองนั่นเป็นยิสกิยะต้องเอาไปสระละท่ามกลางสงฆกรถึงแสดงอาบัตโตะไม่อย่างนั้นก็แสดงอาบัตไม่ตกสูตรที่กัดปาจิตีนั้นแปลว่าปาจิตตีล้นล้วนไม่มีวิเนกรรมอันใดอันหนึ่งเป็นบุปกิจแห่งเทสนาวิธีได้แก่ปาจิติยาบัตในปาจิติยุทธเทศในพิกขุปาติโมก92สิกขาบทในพิกุณีปาติโมกที่เป็นอสสาธารณะอีก96สิกขาบท เหล่านี้แลชื่อว่าสุดที่กะปาจิตตีอันหนึ่งสุดที่กะปาจิตตีมีอีกเป็นสองก็คือปกติปาจิตตีก็คืออาบัตปาจิตตีโดยปกตินั่นเองอย่างหนึ่งกัะเพดากาลิปาจิตตีปาจิตตีที่มีอันต่อยพันทะเสก่อนเป็นต้นแล้วจึงแสดงอาบัตตกก็คือปาจิตตีพิเศษนั่นเองประเภทเพดากะปาจิตตีก็จะต้องต่อยถึงที่ทําด้วยเขาด้วยสังอะไรพวกนี้นะ แล้วก็เฉดดัตกาปาริยตีกับปราริยรดดร ต, รตีที่จะต้องตัดซะก่อนเท้าเตียงสั่งที่สูงเกินประมาณอุดารณะปาริตตีก็ปาริยตีจะต้องลื้อซะก่อนจะทํำด้วยของยัดนุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้ น, นี่ก็เป็นปาริยตีพิเศษออกไปอาตตินามกถาจ oh. บอันนี้ก็เป็นเรื่องของชื่อของอาบัตต่อไปก็จะเป็นการกําหนดสิกขาบทแห่งอาบัต้นั้นๆจะกล่าวด้วยกําหนดสิกขาบทแห่งอาบัต้นั้นๆ สิกขาบทแห่งปาราชิกาบัตส่วน 4, ทิจุสี่สิกขาบทส่วนของนางพิกษุณีที่เป็นอาสาธารรมะไม่ทั่วมาแก่พิกจุอีกสี่ก็รวมเป็นแปส่วนสาธารณะทั่วมาของพิกษุด้วยอีกสี่ะสมหมดด้วยกันเป็นสิบสองสิกขาบทกนจริงแล้วของทิจุมีสี่สิกขาบทของพิกษุณีมีแปดสิกขาบทแต่ว่าเหมือนกันสี่เหมือนกันสี่คนนั้นถ้านับแล้วไม่นับอีกก็ มีแปข้อเท่านั้นแต่ถ้านับรวมเลยข อ, ข, อของพิจูสี่ข้อของภิกษุนีแปข้อเลยรวมเป็นปาราชิก12ข้อเหล่านี้ขึ้นตู่ปาทิโมขุเทศสิขาบทแห่งสังฆาธิเศษส่วนพิกจุมีสิบสาส่วนแห่งนางภิกษุณีที่เป็นอาสาธรรมะ10รวมกันเป็นยี่สิบสามส่วนที่เป็นสาธารณะอีก7หมดร่วมกันก็เลยเป็น30สิบขาบทความจริงแนละ้วของพิกจุมีสิบสาข้อของภิกษุณีนี้จะมีสิบเจข้อมากกว่าสี่ข้อ แต่ว่ามันเหมือนกันเหมือนกันหลายข้อนั้นก็ที่เป็นอาสาธารณตินั้นที่เหมือนกันนีเท่าไรเหมือนกันเจ็ดข้อทางนั้นที่เจเี่ยเหมือนกันเจ็ดข้อแต่ว่าถ้าเกิดนับแล้วนับอีกก็ของพิกตุสิบสามพิกตณีสิบเจ็ดก็เลยรวมเป็นสามสิบเป็นสามสิบสิขา บ, บทเหล่านี้ก็ขึ้นสู่ปาติโมกุเทศที่บัญญัติแห่งทุลจยาบาัติเกิ อ, อัตบัตทุลใจมีมากไม่มีกําหนด แล้วก็ไม่ขึ้นสู่ปาติโมขุเทศด้วยเหตุซึ่งไม่มีกําหนดนั้นจะมีแจ้งข้างหน้าสิกขาบทแห่งนี้สกิยปาจิติยาบัตส่วนที่ถูกสามสิบส่วนนามพิกษณีที่เป็นอาสาธารณะสิบสองก็รวมกันเป็นสี่สิบสองถ้าประสมกับสาธารณะอีกสิบแปดสิขาบทเข้าด้วยกันรวมกันเป็นหกสิบสิขาบทแปงว่าของพิกษณีสามสิบพิษณีก็สามสิบแต่ว่ามีที่เป็นสาธารณะถ้านับแล้วไม่นับอีกก็เหลือสี่สิบสอง แต่ถ้านับแล้วนับอีกก็กลายเป็นหกสิบเหล่านี้ก็ขึ้นสู่ปาติโมขุเทศสิกขาบทแห่งสุติกปะปาจิตติยาบัตรส่วนพิจุมีเก้าสิบสองตัวนานางพิกชณีที่เป็นอสสาธารณะคือไม่ทั่วไปแต่พิจุเนี่ยอีกเก้าสิบหกรวมกันก็เป็นร้อยแปดสิบแปดแต่ถ้าประสมสานธารณะอีกเจ็ดสิบเหมือนกันเนี่ยเจ็สิบข้อต้องอ่ันเหมือนกันเจ็ดสิบข้อก็เลยรวมเป็นสองร้ยห้าสิแปดสิกขาบท หลันี้ก็ขึ้นสู่ปาติโมคุเทศสิกขาบทแห่งปาติเดชนิยะส่วนที่สู่มีสี่ข้อส่วนนางพิกษณีมีแปข้อไม่เหมือนกันเลยเป็นอาสาธารรมะต่อกันไม่เหมือนกันดังนั้นก็รวมเป็นสิบสองข้อขึ้นสู่ปาติโมคุเทศที่บัญญัติแห่งทุ ก, กตาบัตมีมากไม่มีกำหนดด้วยว่าทุ ก, กตาบัตว่าโดยอาคตดสถานที่มาโดยย่อมีสองสถาน บาในบาลีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอย่างหนึ่งเรียกชื่อว่าบาลีทุกกฏมาในอัตถกถาพ้นจากบาลีพระสังคีติกาจารย์ผู้รู้พุทธที่บายตั้งไว้อย่างหนึง่งเรียกชื่อว่าบาลีมุตตกัทุกกดเนื้อความพิาจารณาจะมีแจ้งข้างหน้เพราะเหตุนั้นสิกขาบทแห่งทุกกตาบัตจึงขึ้นสู่ปาติโมกขุเทศแต่เทเขียกสิกขาบทอย่างเดียวนอกนั้นไม่ขึ้นสู่เทศ การขึ้นสู่เทศนี้ก็เป็นหลังพุทธกาลหลังจากที่พุทธเจ้าปริพานแล้วตอนทาสังฆทานเพราะว่าตอนที่พุทธเจ้าทรงบัญญัตินั้นสิกขาบทมีร้อยห้าสิบเท่านั้นผวกเเสขียะกับอนิยตานี้ยังไม่มีมีรห้าสิบเท่านั้นแสดงไว้ในอังคุตตะกนิการติกนิบาศหลายสูตรเลยประถมเสกขาสูตรทุริยะเสขาสูตรมีมากมายสิกขาบทแห่งทุปาติตาบัต ที่มีนิฐานเบื้องต้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัตินั้นไม่มีด้วยว่าทุพภาสติตาบัตินี้มาในวิพังค์แห่งโอมสาสวะสิกขาบทแห่งเดียวเพราะเหตุนั้นในเบื้องหน้าเมื่อวินิจฉัยโอมาสวาสิกขาบทแล้วทุพภัสติตาบัติก็จักรู้ด้วยจักเป็นอันวินิฉัยด้วยก็คือมีข้อเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้เป็นมีต้นบัญญัติอะไรถึงแต่ว่าถ้าพูดดา่าภิกตุได้จิตโกรธก็ต้องอบัตปาจิตตีโอมสาสวะเนี่ย ดา่าพิสุด้่ยจิตกโกรธเป็นปาจิตตีแต่ถ้าเกิดดาภิกษุก็ตามหรือว่านุสสมบัณก็ตามก็จะเล่นด้วยจิตโลภะล้อเรียนนั่นเองก็อบับรุทุภาสิถ้าดา่าด้วยจิตโกรธดาอนุสสมบัณด้วยจิตโกรธก็อับดุทุกฎด่าพิกษุก็อบับ ด, ดุดาบดปาจิตตีถ้าดาเพื่อเล่นล้อเรียนก็อบดุทุภาติตไม่ว่าจะเป็นพิกสุหรือว่านุสสมบัณอันหนึ่งอุทเทศสําหรับที่จะยกสิกขาบทขึ้นสวดทุกๆุกึ่งเดือนในวันอุโบสถ ที่ชื่อว่าปาติโมกุเทศนั้นโดยชื่อที่มีอยู่ในพระคำพีปาติโมกมีอยู่9ก้าอุเทศก็คือนิธานุเทศหนึ่งปาราชิกุเทศหนึ่งสังคาริเสสุเทศหนึ่งอริยะตุเทศหนึ่งนิสักขิยุเทศหนึ่งปาจิติยุเทศหนึ่งปาติเดเสนียยุเทศหนึ่งเสขิยุเทศหนึ่งแล้วก็สมาตุเทศหนึ่ง ในนิทานุเทศเป็นเบื้องต้นนี้ไม่เป็นอุเทศสำหรับชื่อศิดขาบทเป็นแต่คำประกาศยติแห่งอุโบสถกรรมและประกาศคำที่เป็นนิทานเบื้องต้นแห่งอุเทศอื่นเท่านั้นก็คือสุมาตุเมพันเตสังโฆอาจุโปสโทโธปนาระโตยดิสังคสสะปตะกัลังสังโฆอุสทังปาติโมขังอุดิสัยยะข้อความละนะ คำนี้ชื่อว่ายติความว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงสดับแต่ข้าพเจ้าอุโบสถวันนี้ที่สิบสี่ขามหรือสิบห้าขามถ้าหากว่าอุโบสถกรรมมีการอันถึงที่ก็คือเป็นปัตตะกันละมีการอันควรคือว่าพร้อมด้วยองค์สี่แล้วไซพระสงฆ์ทึงทำซึ่งอุโบสถพึงสวดขึ้นซึ่งปาติโมก องคศีนั้นคือวันที่สิบสีที่สิบห้าหรือว่าวันสามคีวันนี้วันในวันหนึ่งเป็นองค์อันหนึ่งที่ตูตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปไม่ต้องอุเคปนิยกรรมเป็นประกาศตั้งอยู่ในสีมาอันเดียวกันไม่มาละหัตถบาตกันเป็นองค์อันหนึ่งที่ตู่เหล่านั้นไม่ต้องสภาคาบาดมีวัตถุเสมอกันมีฉันโพชนะเวลาบายก็คือวิการะโพชนะด้วยกันเป็นต้นเป็นองค์อันหนึ่ง วัชญิยบุคคลยี่สิบเอ็ดมีเครัดและบรรดาเป็นต้นไม่มีในภายในหัตถบาทสงเป็นองค์อันหนึง่งวัชญิยบุคคลหมายถึงบุคคลที่จะต้องเว้นเนี่ยนะมีถึงยี่สิบเอ็ดบุคคลเนี่ยพวกอนันตริยกรรมทั้งหลายโปริีปทุสราชคุณอะไรทั้งหลายคนพิการต่างๆเป็นพวกที่สัดเจริญฉานบ้างโตเป็นยันชนกบ้างในพวกนี้ <S <S อุโบสถพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงควรจะกล่าวว่าปัตะกันลังได้ ถ้าไม่พร้อมเป็นแต่สามหรือสองไม่ควรกล่าวถ้าผู้ตรวจนั้นอ่อนกว่าภิกษุสงฆ์อยู่จักองค์หนึ่งก็ดีให้ว่าพันเตถ้าแก่กว่าหมดให้ว่าอาวุโสอันหนึง่งถ้าเป็นวันที่สิบห้าให้ว่าปันนารโสคงตามบาลีเดิมถ้าเป็นวันที่สิบีให้ว่าจาตุตโส จิงสังทัสสะปุปภิกจังปาริสุธีงายสัมตวารโอเจธาปาติโมขั้งวดีสิสะมีตังสเบวสันตาทาตุกังสุโนมะมนาสิกโรมะยาสัตยยาปฏิโสอวิกระยาสตยยาปฏิยาตุนหีภวิตะบังตุนหีภเวนโกปนายสัมเทปริสุทธาริเวสมียาโปนาปเกุทธสวิยการนังหติเอวมีวังเอวรูปายปริสัยายวัตติยังโนาิังหติ ยาวตติยังนท้าวิยามเนสระมโนทั้งิงอาปาถินาวิกะระยาสัพพัญญมุต้าวัดาสาโหติสัพพัญญมุต้าวัโอโคปนายจตุมตันตรายกมุตคะวตาตัสมาระมานนาภิกขุนาอาปเนาุถาเเคนสัอาปิอวิกตาวิกาหิสพาตุโหติคำเหล่านี้ชื่อว่านิทานปัตตังยัติเสร็จแล้วก็บอกปณนาว่าจะตรวจประกาศที่ใด้ดินสามครั้งนะเพราะฉะนั้นก็ให้ อบอความบริสุทธิ์ของตนเองเสียจะได้ไมีเป็นเครื่องกัน้นต่อมาผลนิพพานแล้วก็ไม่ต้องอบับดับสัมปชัญญะนุกุสาวาทุกกฎ ด, ด้วยเป็นคำถามคำสอนผู้จะฟังปาฏิโมกข์ความว่าอะไรบุปรณ์บุปกิจกรรจะต้องทำก่อนแห่งสงฆ์ทำแล้วหรือคือว่ากวารโรงอุโบสถหนึ่งถ้าเป็นเวลากลางคืนกบตามพระเทิตหนึ่งปูอัจะหนึ่งตั้งน้าใช้น้าฉันไวหนึ่งสี่นี้ชื่อว่าบุปภณ พราะจะต้องทําก่อนแต่ประชุมสง์นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาหนึ่งนำป ร, ริสุทธิแห่งผู้ควรป ร, ริสุทธิมาหนึ่งบอกพระดูหนึ่งนับภิกษุหนึ่งให้อว่าแก่นางภิกษุนี้หนึ่งห้านี้ชื่อว่าบุพกิจาะจะต้องทําก่อนแต่ตรวจขึ้นซึ่งปาติโมกบุปกรณ์บุพกิจเก้าเหล่านี้แห่งสง์ทําแล้วหรือตั้งแต่บาลีว่าปริสุทธิ์ทิ้งไปเป็นคําสอนความว่า ดูก่อนท่านทั้งหลายผู้มีอายุท่านทั้งหลายจงบอกความที่แห่งตนเป็นผู้บริสุทธิ์ไปเถิดข้าพเจ้าจะแสดงเค้ื่อนซึ่งปาทิโมกเราทั้งหลายหมดด้วยกันจงฟังจงกระทำไว้ในใจให้ดีซึ่งปาทิโมกเถิดแต่นี้ไปอย่างไรจะเป็นอันบอกความที่แห่งตนเป็นผู้บริสุทธิ์จะประกาศอย่างนั้นยาสัสติยาอาปติโสอวิกริยาตัิยาปาติยาตุลณิพวิตบังเนี่นะจะตั้งถึงเวดิสามิ เมื่อครูนี้สรวจเกินไปความว่าถ้าอาบัตแห่งภิกษุใดมีภิกษุนั้นพึงทําให้แจ้งเสียบอกเสียในท่ามกลางสงหรือแม้แก่ภิกษุองค์หนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ว่าข้าพเจ้าต้องอาบัตชื่อนั้นชื่อนั้นข้าพเจ้าลุกจากที่นี้แล้วจักทำเคืนซึ่งอาบัตนั้นถ้าเครือบแคลงอยู่ให้บอกดังนี้ว่าข้าพเจ้าเครือบแคลงอยู่ในอาบัตชื่อนี้ชื่อนี้ในการใดข้าพเจ้าจักไม่เป็นผู้เครือบแคลง ในการนั้นข้าพเจ้าจัะทําคืนซึ่งอาบัตินั้นครั้นเมื่ออาบัติไม่มีก็พึงนิ่งอยู่อาการที่บอกอาบัตและนิ่งอย่างนี้แลชื่อว่าบอกความที่แห่งตนเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าจะรู้แจ้งซึ่งท่านทั้งหลายว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยความที่นิ่งอยู่เป็นสําคัญและคําว่ายท่าโคปนาปเจกาปุทถัสาวิยากรรมังโหตินี้เป็นคําบอกให้รู้จักอนุสาวนาและเขตแห่งอาบัติความว่า เหมือนอย่างพิษุองค์เดียวพิษุองค์หนึ่งถามเฉพาะตัวและกล่าวแก้ฉันใดคําอันเราให้ได้ยินอยู่เนืองๆในพิจุบริษัทเช่นนี้จนถึงครั้งที่สามว่าตติยามปีปุชฌามิกกคิทาบริสุทธานี้ทุกอุทเทศไปฉันนั้นถ้าพิจุองค์ใดเมื่อเราตรวจให้ได้ยินอยู่จนถึงครั้งที่สามว่าตติยามปีปุชามิกกิทาริสุทธาดังนี้ เธอระลึกได้อยู่ถ้าไม่กระทําให้แจ้งไม่บอกซึ่งอาบัตที่มีอยู่เสียสำประชานุโมทสาวา่าความกล่าวเท็จแห่งผู้รู้ย่อมมีแก่ทิศุนั้นคือว่าทิศุนั้นต้องอาบัตทุกกฎเพราะปิดอาบัตแห่งตนไว้ปรับเป็นมุสาวาทแต่ว่าเป็นอาบัตแค่ทุกกฎดูก่อนท่านภูมิอายุทั้งหลายกอแลสำปรชานุมทสาวาทุกกฎนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่า เป็นธรรมซึ่งอันตรายแก่ฌานและมรรคผลเพราะเหตุ น, นั้นพิจุระลึกได้อยู่อาบัตมีอยู่พึงกระทําให้แจ้งเสียด้วยว่ากระทําให้แจ้งจะแล้วย่อมเป็นความผาสุกสํำราญแก่พิกจุนั้นก็คือไม่มีเครื่องกั้นมรรคผลนิพพานไมกัน้นสวรรค์ด้วยแต่ถ้าไม่ทําให้แจ้งนี้กอกั้งสวรรค์กักก้ น, นมรรคผลนิพพานนิทานุเทศจบเรื่งของนิทานุเทศต่อไปว่าจะเป็นเรื่องของอุทเทศ แล้วก็เรื่องของศึกขาบทประชิดต่างๆสมุดฐานซึ่งก็จะเอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็ขอท่านทั้งหลายที่เลื่อมใสในพระวินัยอันเป็นปัจจัยแก่ศรัท ธ, ธาและศีลอันเป็นหัวหน้าของกุตลธรรมเป็นเบื้องต้นของกุตนทั้งปวงด้วยศีลเพราะอาจว่าอะไรเพราะอาจว่าสมานทานังแล้วก็อุปัฏฐาราังนะศีล น, นี่เป็นศีลระนะความสำรวมมีสองอัฐะก็คือสมานทานัง เป็นสภาพที่รวบรวมไม่ให้กระจัดกระจายเกลื่อนกลนทั้งวาจาแล้วก็อุปธรรมังก็เป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงเพราะฉะนั้นในเมื่อมีทัทธามีศีลแล้วก็จะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงก็คือสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็คอยท่านได้มีฐานอันมั่นคงเพื่อปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานในเบื้องปลายใน ว, วันนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ